บทที่สองหลวงตาเฟื่องพระเจริญกลับมาถึงกุฏิของท่านก็พบภิกษุรูปหนึ่งนั่งรออยู่ที่ชั้นล่างสามานสำนึกบอกทันทีว่าต้องเป็นหลวงตาเฟื่องแน่นอนเพราะดูหน้าตาแล้วคงจะอายุ ป, ประมาณห0สิบเศษเดินเข้ามานั่งยังอัศนะแล้วจึงถามขึ้นก่อนว่าท่านคือหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับ ครับและท่านคือพระเจริญจากวัดพลมบุรีที่จะมารักษาการเจ้าอาวาสวัดนี้ใช่หรือเปล่าเมื่อท่านตอบว่าใช่หลวงตาเฟื่องจึงคุกเขา่าแล้วกราบท่านสามครั้งยังไม่เต็มใจนักเหตุเพราะถูกทิฐิพระยุโยงว่าเด็กเมื่อวานซืนที่ถูกส่งมาปกครองเรา ภิกษุนมยกมือขึ้นรับไหว้ภิกษุผู้ที่ตนถือว่าสูงวัยกว่าสังเกตเห็นทิฐิที่ฉายออกมาทางแววตาของอิทฝ่ายก็คิดว่าจะต้องกําจัดทิฐิพระของหลวงตาเฟื่องกับหลวงตาอ้อนออกไปให้ได้มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองดังที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้การจะพัฒนาวัด ต้องพัฒนาที่คนก่อนและการพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาที่ใจของเขาพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่ามโนปุพังคมาธรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจใครจะสร้างสรรสิ่งดีงามหรือจะก่อกรรมทำเข็น ก็มีใจเป็นจุดเริ่มต้นฉะนั้นถ้าพัฒนาใจให้ดีไว้ก่อนอะไรอะไรก็จะดีตามไปด้วยหลวงตาบวชมากี่พรรษาแล้วครับพระหนุ่มเริ่มการสนทนามรรคนายกบอกท่านว่าหลวงตาเฟื่องเพิ่งบวชได้พรรษาเดียวแต่คงจะดีกว่าหากว่าได้ฟังจากปากเจ้าตัวอีกครั้ง เกือบสองพันสาแล้วผมเป็นข้าราชการบํานาญพอปลดกเกษียณได้สองปีเมียเขาก็ให้มาบวชครั้นจะพูดความจริงว่าเมียไล่ให้มาบวชก็เกรงว่าจะอับอายขายหน้านี่ถ้าสังขารไม่เสื่อมมีหรืที่จะยอมให้เมียมาบงการชีวิตครั้นจะพูดความจริงว่าเมียไล่มาบวชก็เกรงจะอับอายขายหน้า นี่ถ้าสังขารไม่เสื่อมมีหรือจะยอมให้เมีย ม, มาบงการชีวิตละครับเห็นทายกบอกว่าท่านเคยเป็นตำรวจมาก่อนครับผมเป็นจ่าสิบตำรวจน้ำเสียงบ่งบอกความภาคภูมิใจคิดว่าอย่างไรเสียก็คงดีกว่าพระนมซึ่งดูหน้าตาท่าทางแล้วคงจบไม่เกินปสีพระเจริญดูเหมือนจะ รู้ความในใจของคู่สนทนาเพราะท่านพูดขึ้นว่าถ้าผมไม่ชิงลาออกเสก่อนป่านนี้คงได้เป็นในร้อยตำรวจโทรหรือไม่ก็ร้อยตำรวจเอกท่านไม่ได้พูดปดเพราะถ้าอดทนเรียนต่อไปจนจบก็จะเป็นดังเช่นที่พูดได้ยินดังนั้นฝ่ายที่ถือตนว่าเลอเลิอดกว่า จึงทำหน้าจ๋อยลงไปถนัดคิดว่ายศจากสิบตำรวจนั้นสูงกว่าใครๆในตำบล น, นี้แล้วเชียวเจ้าเด็กเมื่อวานซืนกลับสูงกว่าเพราะเป็นถึงในร้อยตำรวจแล้วความริษยาก็รุมเล้าดวงจิตเมื่อคิดไปว่าคนที่ตนเห็นเป็นเด็กเมื่อวานเซินนั้นแท้จริงแล้วกลับสูงส่งกว่า เลยรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่าน่าอดสูนักผมเห็นจะต้องขอตัวรู้สึกปวดหัวหนึบหนึบสงสัยจะอาพาธผมไปละพูดจบก็กราบปลกปลกสามครั้งแล้วลุกออกไป พระนมมองตามจนอีกฝ่ายเดินหายไปในความมืดจึงลุกออกจากอาสนะตั้งใจจะขึ้นไปชั้นบนก็พอดีสัมมาเนรเดินเข้ามานั่งคุกเข่าแล้วกราบสามครั้งแนะนำตัวเองว่ากระผมสัมมาเนรเหลียวครับต้องขออภยัยที่ไม่ได้ไปต้อนรับท่านสมภารกระผมเห็นดวงตาท่านไม่ไปก็เลยไม่กล้า ประเดี๋ยวจะมาหาว่ากระผมทำเกินหน้าเกินตาท่านสมพานอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองกระผมเลยนะครับเอาละฉันไม่ถือโทษเธอแต่ว่าเธอจะต้องมาช่วยงานฉันเวลามีแขกไปใครมาจะต้องคอยต้อนรับอ๋อแล้วก็ช่วยดูแลความสะอาดกุฏิชั้นล่างให้ด้วยส่วนชั้นบนฉันทำเองครับกระผมเคยรับใช้ท่านสมพานองค์กร แล้วก็ตั้งใจว่าจะรับใช้สมภารองคใหม่ด้วยกระผมขอถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวรับกระผมไว้เป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับตกลงเมื่อเป็นลูกศิษย์ชันแล้วเธอต้องเรียนกรรมฐานนะเคยเรียนบ้างหรือยังเรียนอะไรครับกรรมฐานนะสีเคยได้ยินชื่อสติปัฏฐานสีบ้างไหมไม่เคยครับ เป็นอย่างไรครับถามอย่างสนใจเธอบวชกี่ภรษาแล้วพระนุ่มเปลี่ยนเรื่องถามท่านไม่รู้สึกแปลกใจที่เนนเฉลียวไม่รู้จักกรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฏฐานสี่ท่านเองเมื่อบวชใหม่ๆก็ไม่รู้เพราะอุปชาท่านไม่เคยสอนสามราษาครับ ผมบวชตั้งแต่อายุ1ิบ้าสามเณรวัยส8ปดตอบคงจะเห็นว่ากระผมนั้นฟังดูเป็นพิธีรีตองมากไปจึงตัดกระออกเหลือผมเฉยๆทำไมถึงบวชผมขี้เกียจทำนาครับชีวิตชาวนาลำบากต้องเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินอาบเหงื่อต่างน้ำ ผมเลยต้องมาบวชคิดว่าบวชแล้วจะสบายงั้นหรือครับดีกว่าทำนาเป็นไหนๆเธออย่าคิดสั้นๆแค่นั้นคิดให้ยาวๆหน่อยถ้าเธอมาบวชเพื่อหวังความสุขความสบายแล้วล่ะก็เธอจะไม่เห็นสัจธรรมถ้ามนุษย์เห็นเกิดความสุขความสบายเหมือนกันไปเสี้ยมหมดพระพุทธศาสนาก็จะไม่อุบัติขึ้นมาในโลก การที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแสดงว่าความสุขสบายมิได้เป็นจุดหมายของชีวิตแต่มีสิ่งอื่นที่มีค่ากว่านั่นคือความสงบแห่งจิตดังมีพุทธพจน์รับรองว่านัตติสันติปลังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดหมายของการบวชก็คือความสงบแห่งจิต จิตจะสงบได้ต่อเมื่อกิเลสตัณหาถูกทาลายให้สิ้นไปวิธีที่จะให้กิเลสตัณหาถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงนั้นต้องจเจริญกรรมาฐานถ้าเช่นนั้นผมขอเรียนคืนนี้เลยได้ไหมครับได้สิฉันจะให้การบ้านเลยคืนนี้เวลานอนให้เธอเอามือวางไว้ที่ท้องสังเกตอาการพองขึ้น และก็ยุบลงของท้องตอนหายใจเมื่อท้องพองให้เธอกำหนดในใจว่าพองเนอเมื่อยุบให้กำหนดว่ายุบหนอนอนกำหนดไปอย่างนี้จนกว่าจะหลับพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบเน้นเฉลียวฟังพระเจริญพูดดังนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย จึงถามขึ้นว่าและทำอย่างไรอีกครับพอรู้ว่าหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองแล้วจะทำอะไรไปทำให้ได้ตามที่บอกเสก่อนแล้วเธอจะรู้โดยตัวเธอเองว่าได้อะไรท่านสมพาน์บอกก่อนไม่ได้หรอครับผมจะได้ปฏิบัติรวดเดียวไปเลยไม่ต้องมาคอยถามให้ท่านสมพาน์รำคาญใจเอาเถอนะ ฉันไม่รําคาญหรอกเอาไว้เธอไปปฏิบัติให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยมาถามว่าต่อไปจะทำอย่างไรถ้าเกิดผมอยากรู้ตอนท่านสมพันธ์จำวัดไปแล้วล่ะครับ mm. เธอก็ปลุกได้แต่ฉันคิดว่าคงไม่นอนก่อนเธอหรอกปกติเธอนอนกี่ทุ่มท่านถามเนร น, นมประมาณสามทุ่มครับ และท่านสมภานล่ะครับตีสองตีสองเฉลอะครับและตื่นกี่โมงครับตีสี่นอนสองชั่วโมงเท่านั้นเองเหรอครับและตอนกลางวันท่านต้องนอนชดเชยอีกหรือเปล่าฉันไม่เคยนอนกลางวันโยมยายฝึกฉันมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกแม่ห น, นอนกลางวันท่านสอนว่า นอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งแล้งน้ำใจฉันก็จําเอามาใช้แม่โยมยายของท่านสมพาน์สอนดีจังนะครับท่านสมพาน์ก็เป็นคนดีด้วยเพราะบางครั้งถึงคนสอนจะดีเพียงใดหากคนถูกสอนไม่เอาเรื่องก็คงดีไม่ได้ดีได้สิ เธอเคยได้ยินคนโบราณเขาพูดว่าต้นคดปลายตรงไมล่ล่ะเคยครับคนที่ไม่ดีมาก่อนและวลายหลังกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้คนประเภทนี้ยังดีกว่าพวกที่ต้นตรงปลายคดนะครับแน่นอนและฉันก็กำลังจะบอกเธอว่าฉันเองก็เป็นประเภทต้นคดปลายตรง สมัยเป็นเด็กฉันเกเรเกตรงมากโยมยายเคียนจนไม่รู้จะเคียนยังไงในที่สุดก็เลยเลิกบังเอิญตอนนั้นฉันชินกับไม่เรียวยายเสิแล้ววันไหนไม่ถูกทําโทษฉันก็จะทวงทวงอะไรครับเนนเฉลียวไม่เข้าใจทวงให้ยายเคียนนะสิพระเจริญตอบ รู้สึกสบายอกสบายใจเมื่อได้พูดถึงโยมยายที่ท่านรักและเทิดทูนแล้วท่านเขียนไหมครับผู้อ่อนวัยกว่าอยากรู้ตอนหลังท่านคงระอาเลยเลิกเขียนไปเฉยเฉยฉันก็เลยร้อนๆอนหนาวหนาวอยู่หลายวันกว่าจะชินกับการไม่ได้ลิ้มรสไม่เรียวโยมยายยังแปลกใจตัวเองมาจนบัดนี้ ท่านพูดยิ้มยิ้มเห็นสมพานเป็นกันเองเช่นนั้นเน้นเฉลียวก็หายกังวลและกล้าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้ท่านสมพานนอนเวละสองชั่วโมงมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับเปล่าใครจะทำอย่างนั้นได้ล่ะฉันเพียงแต่บอกเธอว่าฉันไม่เคยนอนกลางวันตั้งแต่เป็นเด็ก เพราะถูกโยมยายฝึกมาอย่างนี้แต่การนอนวันละสองชั่วโมงนั้นนะ่ะฉันฝึกมาตั้งแต่เรียนกรรมฐานที่วัดมห า, าธาตุหมายความว่าคนที่เรียนกรรมฐานต้องนอนคือละสองชั่วโมงเท่านั้นใช่ไหมครับเน้นวัย18นึกท้อท่านจําวัดวันละแปดชั่วโมงระนั้นก็ยังแอบงีบในตอนกลางวันอีกหนึ่งหรือว่าสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตอนฉันไปเรียนใหม่ๆก็นอนวันละหกชั่วโมงแต่เมื่อทำอย่างนั้นการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าฉันก็เลยอธิษฐานจิตขอปฏิบัติขั้นอุกฤษซึ่งต้องถือขติกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากแล้วก็เลยยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมาจนทุกวันนี้พระหนุมเล่าความหลัง แต่ผมคงทำอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องนอนผมเรียนตามตรงว่าผมมีโลภะในการนอนขืนนอนวันละสองชั่วโมงผมคงตายเสก่อนไม่ตายหรอกฉันยังไม่ตายเลยการทำความดีนั้นยากแต่ก็ยากเฉพาะตอนเริ่มต้นเท่านั้นยากแต่แต่ไม่เคยอย่างไรล่ะแต่ถ้าเคยแล้วไม่ยาก โยมยายสอนมาอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับผมไม่เข้าใจหมายความว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยนั้นก็ดูเหมือนว่ามันยากแต่ถ้าคุ้นเคยเสีแล้วมันก็ง่ายเหมือนตอนที่ฉันฝึกนอนน้อยๆใหม่ๆก็คิดว่ามันยากแต่พอทำได้แล้วก็เกิดความเคยชินมันก็เลยไม่ยากที่ว่ายากเพราะไม่เคย และยังผมฝึกนานแค่ไหนครับถึงจะเคยอันนี้ก็ต้องถามตัวเองจะถามคนอื่นไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราเองจริงไหมจริงครับแต่ผมอยากทราบเคล็ดลับว่าทำอย่างไรจรึงจะฝึกได้เร็วท่านสมทานมีเคล็ดลับอะไรครับคงไม่ต้องเรียกว่าเคล็ดลับเพราะเป็นเรื่องที่ พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้เธอเคยได้ยินไหมพุทธวจนะที่ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติแปลว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรน่ะเคล็ดลับคือต้องใช้ความเพียรพยายามใช่ไหมครับเน้นหนุ่มยังติดใจกับคำว่าเคล็ดลับเอาเธอเอาเธอเธอจะว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้ แต่สำหรับฉันนั้นไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้หากมีใจมุ่งมั่นเงียบกันไปพักหนึ่งสามเณรก็ถามขึ้นว่าท่านสมบาตครับนารีผลมีจริงไหมครับถ้ามีผมจะไปดูได้ที่ไหนเธอหมายถึงต้นไม้ที่ออกผลเป็นหญิงสาวน่ะรึกครับผมอยากรู้ว่ามีอยู่ที่ไหน อยู่ที่ป่าหิ ม, มาพานต์นนแนห์เธอเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาหรือเปล่าล่ะเน้นวัยสิบแปดถูกถามไม่เคยครับผมรู้จักวัดตึกราชาแต่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อช้างท่านสมภารรู้จักหรือครับไม่รู้จักรกรกเพราะท่านมรณาภาพตั้งแต่ฉันยังไม่เกิด โยมยายของฉันเป็นลูกศิษย์ท่านท่านเคยไปป่าหิมะพานมาแล้วก็มาเล่าให้โยมยายฟังว่าท่านไปพบมักะะีผลซึ่งก็คือนารีผลที่เธอว่านี่แหละแสดงว่านารีผลมีจริงอย่างนั้นเหรอครับเรื่องอย่างนี้พูดยากเพราะมันเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เช่นนี้เขาอาจจะไม่เชื่อ ฉันเองก็ต้องพิสูจน์อยู่เหมือนกันคิดว่าวันหนึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ได้เอาละ่ะนี่ก็ดึกพอสมควรแล้วฉันจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างว่าแต่พรุ่งนี้ฉันจะไปบินธบาทอยากให้เธอไปด้วยเพราะฉันยังไม่รู้จักเส้นทางครับผมจะมาที่กุติแต่เช้าผมบินธบาททางเรือครับ สมพานองค์กรท่านมีเรืออยู่ลำหนึ่งเวลาออกบินธบาตผมเป็นคนพายให้ท่านเมื่อท่านมรณะภาพผมก็เลยออกบินธบาตแต่ผู้เดียวและหลวงตาสองรูปนั่นละ่ะท่านมีเรือของท่านครับต่างคนต่างออกบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้วันไหนได้ก็อิ่มวันไหนไม่ได้ก็ต้องอดฉันน้ำรูปท้องไปตามประษา แต่ผมว่ายังดีกว่าทำนาแหละครับดีกว่ามากพูดจบ ก, ก็กราบสมภารสามครั้งและจึงเดินกลับกุฏิซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระเจริญใช้เวลาถึงสามเดือนจึงสามารถปราบทิฐิพระ ได้รู้ว่าหลวงตาอ้อนชอบฉันชาตรากระต่ายและน้ำตาลตะนดท่านก็พยายามหาไปฝากอย่างสม่าเสมอชาตรากระต่ายนั้นกระป๋องหนึ่งตั้งยี่สิบบาทแพงกว่ายี่ห้ออื่นๆเกือบเท่าตัวแต่ท่านอุตส่าห์ไปหามาถวายจนได้ตัวท่านเองฉันตัวท่านเองฉัน ชาราคาถูกๆทว่าซื้อถวายหลวงตาอ้อนในราคาที่แพงลิบปลิวเมื่อได้ของถูกใจหลวงตาอ้อนค่อยคลายทิฐิลงยิ่งเมื่อรู้ว่าสมภาร น, นมชั้นชาราคาถูกกว่าที่ซื้อถวายท่านอคติที่มีต่อพระนมก็มาลายสิ้นไปหลวงตาวัยเจ็ดสิบเศษจึงยอมเป็นมิตรกับสมภาร น, นมด้วยประการเชนี้ ส่วนหลวงตาเฟื่องนั้นเล่าสามวันแรกที่สมพัน์องค์ใหม่มาอยู่วัดท่านไม่กล้ากลับบ้านไปหาลูกหลานเหมือนเช่นเคยพอดีกลับยังไม่ถึงเวลาที่มะม่วงมะปรางและนนาออกผลถึงไปก็ไม่มีอะไรฝากลูกหลานจึงงดเสียครั้นวันที่สี่ก็ทนต่อไปไม่ไหวฉันเพลงเสจจึงต้องไปคิดว่า ถึงไม่มีอะไรฝากก็ยังได้ไปเห็นหน้าลูกหลานให้ชื่นบานในหัวใจเมื่อกลับมาวัดสมภารองค์ใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ระคายเคืองวันที่ห้าท่านจึงไปอีกแล้วก็เลยไปทุกวันเช่นที่เคยปฏิบัติมาพวกที่ปรับยากสักหน่อยเห็นจะเป็นญาติโยมที่พากันมาเล่นการพนันในโบสถ์วันแรก ท่านเพียงแต่ไปมองๆดูพวกเขาก็ดูเหมือนจะเกรงใจอยู่บ้างแต่พอวันที่สองก็ชักจะทำหน้าทะมึงถึงเข้าใส่ครั้นวันที่สามก็ถามท่านว่ามองอะไรท่านรีบตอบว่าเปล่าใจโยมอาตมาเป็นสมภารใหม่เลยอยากรู้ว่าโยมมาทำอะไรกันในโบสถ์ก็รู้แล้วนี่ จะมาถามทำไมอีกเจ้าคนที่หน้าเยี่ยมเกลียมตะคอกงั้นอาตมาจะกลับละตามสบายนะโยมนะแล้วท่านก็รีบเดินกลับกุฏิวันรุ่งขึ้นอีกวันก็ซื้อน้ำแข็งใส่น้ำหวานไปเลี้ยงพวกเขาบอกว่าโยมเล่นกันเหนื่อยพักทานน้ำแข็งให้สบายสบายใจก่อนนะ พวกเขาก็พากันกินน้ําแข็งใส่น้ําหวานที่ท่านใส่กระติกไปให้และท่านก็เพียรซื้อไปให้พวกเขากินทุกวันบรรดาพวกนักการพนันทั้งหลายก็ค่อยๆหายหน้าหายตาไปวันละคนสองคนกระทั่งไม่มีใครอยู่ให้ท่านเลี้ยงน้ําแข็งอีกนับแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีใครไปเล่นการพนันในโบสถ์วัดป่ามะม่วงอีกเลย แต่กว่าจะปราบทิฐิพระและญาติโยมได้พระเจริญก็หมดเงินไปหลายช่าง